เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทวิบาสุวิบาศิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่ยี่สิธันวาคมพุทธศักราช2 5งพเป็นวันพระวันธรรมมาสวนะวันฟังธรรม เป็นวันทำความเห็นคือทิฏฐิให้ถูกต้องทำทำความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องตามความจริงการฟังธรรมนี้จะได้สัมมาทิฏฐิได้ความเห็นที่ถูกต้องถูกต้องเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ทุกบททุกบาทออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงรู้เห็นในสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าและรู้เห็นในสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาในความสอนของอุตตฆาเจ้าจึงเป็นคาสอนที่มีคุณมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะผู้ที่ได้รับฟังก็จะได้มีความ เห็นที่ถูกต้องเพื่อจะได้เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตเพราะถ้ามีความเห็นที่ผิดใช้เป็นหลักยึดของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดแต่ถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องเป็นหลักยึดเพื่อดำเนินชีวิต ก็จะดำเนินไปในทางที่ถูกเพราะพวกเราทุกคนนั้นต้องการความสุขและความเจริญต้องการการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้าเรามีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจับเป็นดอกบัวแทนที่เราจะดำเนินทางไปสู่ความสุขความเจริญ และการหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็จะเดินไปอีกทางหนึ่งไปทางตรงกันข้ามกับทางของสัมมาทิฏฐิคือไปทางมิจฉาทิฏฐิแทนที่จะไปหยิบดอกบัวก็จะไปหยิบกงจัก <c oughs> ให้มาฟันตัวเองท่านนิวบอกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุข เพราะว่ามีมิจฉาทิฏฐิผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าร้อยทั้งร้อยจะต้องมีมิจฉาทิฏฐิเพราะใจนี้ถูกมิจฉาทิฏฐิคือโมหะอวิชชาความหลงครอบงําจิตใจมาตั้งแต่เด็กนํำบันมาแล้วเป็นอย่างนี้มาทุกภพกทุกชาติ ยังมีความเห็นที่ผิดที่พาให้ต้องมาเกิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็มารับทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายจากการพัดพรากจากกันซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีวันสิ้นสุดเพราะถูกมิจฉาทิฐิความเห็นผิดเป็นชอบนี้เป็นตัวผลักดันไป เป็นตัวนำทางไปแต่ถ้าผู้ใดได้มีวาสนาได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพวกเราเราก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนความเห็นผิดเป็นชอบให้กลายเป็นความเห็นที่ถูกต้องด้วยการไฝ่ธรรมด้วยการ ฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมออย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่ากาเลงะธรรมิสวนังเอตัมมังกัลมุตต ม, มังการฟังเทศตามการตามเวลาเป็นคนเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตตามการตามเวลาก็คืออย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวันธรมัสวรณ แปลว่าวันฟังธรรมไว้ก็คือวันพระนี่เองทุกแปดวันเจ็ดวันหรือหวันเช่นวันขึ้นแลมส5คห้าขาหรือส4ค่ขาและวันขึ้น8ปดข้ามแลม8คํขาก็จะถือเป็นวันฟังธรรมกันถ้าได้เข้าวัดได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นความจรงิง สิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำพานำพาชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายที่ทรงที่ที่ที่ปรารถนากันได้เหตุที่คนเราไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองต้องการได้คือความสุขความเจริญความพ้นจากความทุกข์ก็เพราะมีความเห็นผิดเป็นชอบ เช่นคนที่ทำบาปคนที่เกี่ยวข้องกับอบายยมุกต่างๆคนเหล่านี้นั้นจะเดินทางเข้าสู่ความทุกข์เข้าสู่ความเสื่อมเสียไม่ใช่ไปเดินทางไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญเพราะอบายยมุก ค, ความหมายก็มีแปลบอกอยู่แล้วคำว่าอบายก็คือ ที่เสื่อมนั่นเองมุกก็แปลว่าวาวรหรือประตูผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกก็ผู้ที่กำลังเดินก้าวสู่อบายเข้าเข้าประตูที่จะนำพาไปสู่อบายอบายนี้ก็คือภพชาติหรือสถานภาพของจิตใจที่มีความทุกข์มากกว่าความสุข มีความรุ่มร้อนมากกว่ามีความล่มเย็นเช่นพบของเดรัจฉานของเปรตของนรกเป็นต้นนี่เป็นผลที่จะเกิดตามมาถ้าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกอบายามุกนี้ก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งการดื่มสุรายาเมา สองการเล่นการพนันสามการเที่ยวกลางคืนสี่การครบคนชั่วเป็นมิตรและห้าความเกียดคร้านนี่คืออบายามุขที่จะฉุดลากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนั้นก้าวเข้าไปสู่ในอบายด้วยการไปทำบา ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปวดหมดเทนเพราะโดยโดยธรรมดาแล้วผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับอาวาัยามุกนี้จะไม่มีปัญญาหรือไม่มีความสามารถที่จะหาเงินทองได้ด้วยวิธีสุดจริตเช่นเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัว ก็จำเป็นที่จะต้องไปลักขโมยไปช่อโกหรือไปฆ่าผู้อื่นหรือไปหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์ให้เงินได้เงินได้ทองมาเล่นการพนันมาใช้เป็นสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆอบายมุกนี้จะไม่ไม่มีไม่มีการทำให้เกิดรายได้ขึ้นมา มีแต่จะทำให้เกิดรายจ่ายเช่นการเที่ยวกลางคืนนี้ก็เช่นเดียวกันออกเที่ยวกลางคืนไปกินเหล้าเมายาก็ต้องเสียค่าจจ่ายมีค่าใช้ใจ่ายต้องเสียเงินเสียทองแล้วก็พอตอนเช้าถึงเวลาที่จะไปทำงานก็จะไปไม่ไหวเพราะนอนดึกแล้วก็มีความมึนเมาจากคึชรา ถ้าขาดงานบ่อยๆไม่นานก็จะต้องถูกไล่ออกจากงานก็จะไม่มีรายได้แล้วเมื่อยังติดนิสัยเที่ยว อ, อยู่ก็จะต้องหาวิธีหาเงินดวยวิธีที่ไม่ชอบแล้วในที่สุดก็จะต้องทำบาป ท, ทำกรรมแล้วก็ต้องก้าวไปเข้าไปในอบายพวกนี้เพราะเขามีความ เห็นผิดเป็นชอบเขาคิดว่าอบายามุตต์นี้ไม่ใช่เป็นสิ่งอันตรายเป็นสิ่งที่ให้ความสุขและให้ความเจริญทางด้านยศได้ทางด้านลาบได้คือเงินทองเช่นคิดว่าเล่นการพนันแล้วจะทำให้ร่ำรวยแต่หารู้ไหมว่าผู้ที่เล่นการพนันนี้ ส่วนมากจะจะยากจนจะหมดเนื้อหมดตัวดังที่มีคาพูดสอนไว้ว่าจนขึ้นบ้าน <c oughs> ก็อย่างมากก็เอาไปได้แต่ทรัพย์สินถ้าไฟไหม้บ้านก็ได้ไหมแต่เพียงแต่บ้านแต่ยังมีที่ดินอยู่แต่ผู้ที่เล่นการปร น, า น, นันนี้จะหมดเนื้อหมดตัว หมดทรัพย์สินหมดบ้านหมดที่ดินเพราะเวลาที่เล่นแล้วถ้าได้กำไรก็จะใช้เงินอย่างสุรุ่สุรายไม่เก็บเงินเอาไว้แล้วก็ต้องอยากจะกลับไปเล่นใหม่เพื่อที่จะได้เงินมาอีกแต่เมื่อเล่นไปมากขึ้นบ่อยเข้าก็จะต้องเสียไปในที่สุดพอเสียแล้วก็ต้องขายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เพื่อมาเล่นต่อเมื่อหมดทรัพย์แล้วก็ต้องขายบ้านขายบ้านแล้วก็ต้องขายที่ดินจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือติดตัวอยู่เลยเพราะพิษของการเล่นการพนันนี้เองนี่เป็นเสียงที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ที่ถลำเข้าไปสู่การทำมาหากินด้วยการเล่นการพนัน มักจะหมดเนื้อหมดตัวและมักจะตายไปก่อนวัยอันสมควรเพราะจะอาจจะถูกเจ้าหนี้เขาฆ่าตายได้เวลาไปยืมเงินเขาแล้วไม่มีปัญญาที่จะใช้เขาได้เขาก็ต้องฆ่าเพื่อที่จะได้ทำเป็นตัวอย่างสำหรับคนอื่นที่ กู้เงินเขาจะได้ไม่กล้าเบีบ้ยวนั่นเองนี่คือเรื่องของอบายามุขที่เกิดจากมิจฉาทิตฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบถ้าจิตใจของพวกเรานี่ ย, ยังยังยินดีกับเรื่องการดื่มโซราการเที่ยวกลางคืนการครบคนไม่ดีเป็นมิตรการ ความเกลียดคร้านก็ขอให้เราทำความเข้าใจไว้เถิดว่านี่เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเป็นความเห็นที่เราต้องพยายามเปลี่ยนให้ได้พยายามมองให้เห็นว่าอบายามุกหรือการทำบากนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตและจิตใจของเราเหมือนเป็นงูอสรพิษเป็นงูพิษ ที่เวลาเราเห็นแล้วถ้าเราทําลายเขาได้เราก็จะทําลายหรือถ้าเราทําลายไม่ได้เราก็จะต้องรีบหนีให้อยู่ห่างไกลจากงูพิษทันทีเพราะเรารู้พิษของงูว่ามันมีแต่จะฆ่าเราเพียงอย่างเดียวนั่นเองฉันใดก็ขอให้เราเห็นว่าการ ไปเกี่ยวข้องกับอบายามุขและการไปทำบาบนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะมีเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะปลอดภัยจากการไปทำบาปจากการไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขต่างๆและเราก็จะ ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายหลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะได้ไปสู่สุคติสุคตินี้ก็คือที่อยู่ของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลายอย่างที่พวกเรากำลังจะไปกันเพราะวันนี้พวกเราก็ได้มาสมาทานศีลห้ากัน หลังจากที่ได้สมาทานสินห้าแล้วพระก็แสดงอนิสงส์ให้ฟังว่าที่เลนะสุขติยันติสินเป็นเหตุที่จะทำให้ไปสู่สุขตินี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกถ้าพวกเราปรารถนาความสุขและความเจริญ เราต้องรักษาศีลห้าให้ได้ถ้าเรารักษาไม่ได้ความเจริญก็จะหลุดจากมือเราไปความเสื่อมก็จะเป็นผลที่จะตามมานี่คือเหตุที่พวกเรามาวัดกันทุกวันพระเพื่อที่จะมารักษาศีลกันมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันถ้าเราทำบาปเราไปเสพอบายามุขจิตใจของเราก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนวาวุ่นขุนโมวแล้วเมื่อตายไปก็จะต้องไป เกิดในอบายแต่ถ้าเรามีศีลเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกจิตใจของเราก็จะสงบจะเย็นจะสบายมีความสุขนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการมีความเห็นที่ถูกต้องซึ่งยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันนอกจากความเห็นที่ว่า อบายามุนนนย ก, กนี้เป็นอันตรายการทำบาสนี้เป็นอันตรายเรายัางต้องเห็นอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นเห็นว่าการทำบุญให้ทานนี้เป็นการสร้างความสุขและความเจริญให้แก่ใจของเราและการชำระใจของเราด้วยการปฏิบัติ นั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยู่ในความครอบครองของเราควบคุมบังคับของเราเรามีเราต้องปล่อยต้องวางอย่าไปยึดไปติดกับสภาวะธรรมต่างๆสภาวะธรรมนี้ก็มีหลายอย่างด้วยกันส่วนที่อยู่ภายนอก กายและใจของเราก็คือลาบยศสรลเสริญและสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผุดธัสิ่งเหล่านี้นั้นท่านสอนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ทุกคนอยากจะรวยแต่ทุกคนรวยได้หรือเปล่า ทุกคนอยากจะมียศมีตำแหน่งสูงสูงทุกคนมีได้หรือเปล่าทุกคนอยากจะมีความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วสามารถบังคับสามารถสั่งให้มีความสุขแบบนี้ได้ไปเสมอหรือไม่เราไม่สามารถบังคับมาได้บางครั้งเราก็รวยขึ้นบางครั้งเราก็จนลง บางครั้งก็มีคนสรรเสริญบางครั้งก็มีคนนินทาบางครั้งเราก็มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสบางครั้งเราก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้นั่นเองเวลาที่เราไม่สามารถสั่งหรือควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องทุบทรมานใจเพระเาะพรุทธเจ้าถึงทรงสอนว่าถ้าเราไม่อยากจะทุบทรมานใจเราก็ต้องปล่อยวางอย่าไปอยากให้เขาเป็นตามที่เราต้องการให้เราทําใจให้ยินดีกับการเปลี่ยนแปลงของเขา ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเช่นรวยแล้วจนก็ทำใจยอมรับความจริงมีตาแหน่งแล้วหลุดพ้นจากตาแหน่งไปก็ให้ทําใจว่าเป็นธรรมดามีความสุขท้งรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็หายไปก็ทําใจเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่า เราสามารถมีความสุขได้ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆภายนอกใจของเราความทุกข์ของเรานี้เกิดจากการที่เราไปยึดติดกับสิ่งต่างๆภายนอกนี้เองถ้าเราไม่ยึดติดเราก็ยังมีความสุขได้และมีความสุขมากกว่าการที่เราไปมีสิ่งต่างๆทั้งหลายอีกเพราะว่า ใจของเรานี้ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้ใจของเรามีความสุขแต่ใจของเราจะมีความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรยินดีกับสภาพที่มีอยู่เป็นอยู่และยินดีกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ที่มีอยู่และเป็นอยู่ทุกสภาพถ้าทําใจอย่างนี้ได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์จะมีความสุขมากกว่าคนที่มีลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาทีหลังเวลาสูญเสีย ลากรถสารเสริญสุขทางตาหูจมุกเล่นกายไปหรือเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ชอบที่ไม่ดีนี่คือเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยาก มีอยากเป็นอยากได้อะไรถ้ามีถ้ามีมีมากก็ควรที่จะแบ่งให้ผู้อื่นไปควรจะเก็บเอาไว้เท่าที่จำเป็นเท่าที่ต้องการเท่านั้นก็พอถ้ามีมากเกินไปก็จะกลายเป็นภาระทางจิตใจแทนที่จะมีความสุขใจกับสิ่งต่างๆที่มี ก็จะต้องมามีความวิตกกังวลกับการที่จะต้องคอยดูแลรักษาแล้วถ้าไปอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้มีความวิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆที่ไปที่ไปยึดติดไปอาศัยก็จะรู้ว่าจะต้องเดือดร้อน แต่นี่เป็นความเดือดร้อนที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะความจริงแล้วเราสามารถอยู่แบบที่ไม่ต้องมีอะไรมากมายอย่างพระภิกษุที่ท่านอยู่กันอย่างพ่อพุทธเจ้าท่านก็เคยมีลาบยศรสเสริญสุขอย่างมากมายแต่ท่านกลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขท่านจึงได้สละ ลาบยดสะละเสริญสุขแล้วก็ไปอยู่ในป่าในเขาอยู่แบบขอทานอยู่แบบตามมีตามเกิดแต่ใจของพระพุทธเจ้านั้นกลับมีความสุขมากกว่าในสมัยที่อยู่ในวังนั่นก็เป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราไปอาศัยยึดติดเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยดี มันไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงนั่นเองมันเป็นภัยกับเรามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเรามันสร้างความทุกข์ให้กับเราเราจึงต้องมาฝึกทำใจของเราให้เข้มแข็งให้สามารถยืนหยัดอยู่ตามลำพังให้ได้เพราะถ้าเราทำได้แล้วเราจะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรเลย และเมื่อเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรเราก็จะไม่มีความวิตกกังวลที่พวกเราทุกวันนี้มีความวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆก็เพราะว่าเรายังพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆนั่นเองแกรงว่าสิ่งต่างๆที่เราพึ่งพาอาศัยนี้จะมีปัญหาจะหมดไปหรือจะจากเราไป เพราะเราไม่สามารถยืนยืนบนลำแข้งลำขาของเราได้เองเราเป็นเหมือนคนพิการที่จะต้องมีเครื่องค้ำถ่อให้เราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้แต่ความจริงแล้วเราไม่ใช่เป็นคนพิการเราเป็นคนปกติ ที่สามารถที่จะยืนหยัดบนลำแข้งลำขาของเราได้แต่เราไม่รู้เพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเห็นว่าถ้าเรามีลาบยศสรดเสริญสุขมากๆเราจะมีความสุขมากๆนั่นเองแต่ความจริงแล้วตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัูเห็นทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของใจแต่เป็นที่จะมาสร้างความทุกข์จะมาทำลายใจเสียมากกว่านี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจและเริ่มปฏิบัติคืออย่าไปพึ่งสิ่งอื่นๆใดต่างๆในโลกเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปพึ่ง เช่นการหลับนอนกับคู่ครองของเรานี้ก็เป็นเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือการดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือการดื่การรับประทานเครื่องดื่มก็ดีอาหารเครื่องครบเคี้ยวต่างๆก็ดีที่เกินความต้องการของร่างกายอย่างนี้ก็จะถือว่า ยังไปยึดติดยังไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอยู่ถ้าไม่ไม่ยึดติดไม่หาความสุขเราก็ต้องกำหนดการรับประทานอาหารว่าเรารับประทานเพื่อร่างกายของเราและเรารับประทานเท่าที่ร่างกายต้องการเช่นวันละครั้งนี่ก็พอแล้วหรือสองครั้งก็ได้ เช่นเช่นผู้ที่ถือศีลแปดนี้ก็รับประทานไม่เกินเที่ยงวันก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องรับประทานอะไรอีกไม่ต้องเด่นอะไรอีกยกเว้นน้ำเปล่าก็พอถ้ารับประทานของขบเคี้ยวนี้ก็แสดงว่าไม่ได้รับประทานเพื่อร่างกายแต่รับประทานเพื่อความสุขทางใจหรือดื่มน้ำรสต่างๆรสหวานรสเปรี้ยวรสมัน ก็เช่นเดียวกันร่างกายไม่ต้องการเครื่องดื่มแบบนี้สิ่งเดียว ท, ที่ที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำน้ำสะอาดเท่านั้นเองถ้าเราจะดื่มเพื่อร่างกายเราก็ดื่มเพื่อเราก็ดื่มน้าเปล่าอย่างเดียวก็พอถ้าเราจะรับประทานอาหารเราก็รับประทานเป็นกิจจลักษณะเป็นเวลาเป็นมือ้อ หลังจากรับประทานเสร็จแล้วก็จะไม่รับประทานอะไรอีกเพราะการรับประทานอะไรอีกหลังจากที่ร่างกายได้รับอาหารพอเพียงแล้วก็เป็นการไปอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณ์ของอาหารก็ดีของเครื่องดื่กก็ดีเพื่อมาให้ความสุขกับเรานั่นเองแต่เราไม่รู้ว่าเราจะกลายเป็นธาต เราจะเป็นคนที่จะต้องติดสิ่งเหล่านี้จะต้องคอยหาสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราและถ้าเวลาใดที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะมีความทุกข์ทรมานใจและจะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะการพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกนี้ มันจะติดเป็นนิสัยไปเป็นภบเป็นชาติไม่มีวันหยุดและไม่มีวันพอได้เท่าไหร่ก็ยังต้องหามามามาเลี้ยงดูความสุขของตัวเองอยู่เรื่อยๆและชีวิตก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆตายจากพบนี้ก็จะไปเกิดพบใหม่เพื่อที่จะไปหาสิ่งต่างๆมาเพึ่งมาอาศัยมาให้ความสุข แต่แต่ไม่คิดถึงความทุกข์ที่จะต้องตามมาจากการที่ไปเกิดใหม่เช่นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายกาพพรพลาดพลาดจากกันนี่เป็นสิ่งที่จะต้องตามมาเสมอแต่ถ้าเราไม่ต้องไปเกิดใหม่เพราะเราไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ บ, นนนบุคคล น, นั้นบุคคลนี้ มาเป็นที่พึ่งที่อาศัยมาให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปเมื่อไม่ไปเกิดใหม่ก็จะไม่ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพักพากจากกันตามมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและได้ทรงบรรลุ แล้วนำเอามาเผยแผ่สัมสอนให้แก่พวกเราพระพุทธเจ้าท่านปลอดภัยจากความทุกข์แล้วท่านอยู่ในสถานที่ที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวท่านก็อยากจะให้พวกเรานี้เป็นเหมือนท่านเพราะพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเหมือนท่านได้ถ้าพวกเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติอย่างที่พวกเราได้มาทากัน ทุกๆวันพระนี้เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ยังไม่พอเราต้องทำให้มากขึ้นไปกว่านี้จนต่อไปเราจะต้องทำทุกๆวันเลยคือเราต้องออกบวชหรืออยู่แบบนักบวชปฏิบัติแบบนักบวชอย่างนั้นแหละเราถึงจะได้พบกับความสุขอย่างเต็มที่และกำจัด ความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจของเราได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำความเห็นให้ถูกต้องด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญและความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไป